วันนี้เป็นวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2563เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อที่จะได้นำเอาความรู้ให้ได้ศึกษาไปปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์สุขแก่จิตใจของท่านทั้งหลายให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงและให้ความทุกข์ทั้งหลายหมดสิ้นไปจากใจซึ่งเป็นประโยชน์ที่พระพุทธศาสนา จะมอบให้กับพวกเราได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถมอบประโยชน์อันนี้ให้แก่พวกเราคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมีพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นและมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนามาเป็นจำนวนมาก ท่านเหล่านั้นคือพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองพระสุปฏิปันโนสาวกสังโคพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆประการเมื่อท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลคือการ หลุดพน้นจากความทุกข์ขั้นต่างๆก็จะปรากฏตามมาพระเลียงสงสาวกของพระพุทธเจ้านี้มีอยู่สี่ระดับด้วยกันคือหนึ่งพระโสดาบันสองพระสกิดาคามีสามพระอนาคามีสี่พระอรหันต์นี่คือ พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราเรียกท่านว่าเป็นพระแต่สถานภาพของท่านนี้อาจจะไม่ได้เป็นนักบวชก็ได้ในสมัยพระพุทธการมีผู้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลที่เป็นทั้งนักบวชและเป็นผู้ที่ ไม่ได้บวชคือคาลวาดทุกครองเรือนอย่างญาติโยมทั้งหลายที่มาฟังเทศกันในขณะนี้ก็มีบรรลุเป็นพระอริยะสงสาวกของพระพุทธเจ้าได้เมื่อได้บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลเราก็เรียกท่านว่าพระเพราะคำว่าพระนี้แปลว่าผู้ประเสริฐ ผู้ประเสริฐคือผู้ที่สามารถที่จะตัดสังโยชนเหตุที่สร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจเหตุที่ผูกมัดจิตใจให้ติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเราจึงเรียกท่านว่าเป็นพระอริยะแต่ไม่ได้หมายคำว่าเป็นพระภิกษุหรือภิกษุณี พระอริยบุคคล น, นี้เป็นได้ทั้งผู้ที่เป็นนัก บ, บวชคือพระภิกษุพระภิกษุณีและเป็นคารวาะผู้คลองเรือนและเป็นได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กเพราะว่าจิตใจของแต่ละท่านนี้เป็นจิตใจเหมือนกันไม่มีอายุไขเหมือนกับร่างกาย ไม่มีเพศไม่มีวัยและผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลก็คือจิตใจนี้เองไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของจิตใจในการที่จะปฏิบัติในการที่จะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพื่อกำจัดสังโยชน์ทั้งสิบข้อ ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจผู้ใดาสามารถละสังโยชน์ได้ทั้งสิบข้อผู้นั้นก็จะได้บรรลุ ถ, ถึงพาาระอรยะขั้นสูงสุดคือพระอาหารหันตาสาวกของพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างที่พวกเรากำลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้นี่คือผลของผู้ที่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าของผู้ที่มีศรัทธาอย่างพวกท่านทั้งหลายที่อุดมันมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างบางครั้งบางคราวเช่นวันนี้มีฝนตกแต่ท่านก็ไม่ย่อท้อท่านก็ไม่ได้ถอยกลับนั่งรอฟังเทศฟังธรรมเพราะเห็นคุณค่าของพระธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งที่เหนือกว่าสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ ลถแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงลถแห่งธรรมก็ลถของวิมุตติธรรมวิมุตติธรรมก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั่นเองเรียกว่าวิมุตติหลุดพ้น <c oughs> ดังนั้นถ้าท่านยังไม่เสื่อมศรัทธายังพยายามเกาะติดอยู่กับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า และหมั่นพยายามปฏิบัติเพื่อลดละกิเลสตัณหาสังโยชน์ที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจต่างๆให้เบาบางลงให้น้อยลงไปตามลำดับในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าท่านย่อมได้รับผลจากการปฏิบัติอย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงรับประกันไว้แล้วว่า ใครก็ตามถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามหลักสติปฐานสูตรที่ได้ทรงแสดงไว้นั้นผู้นั้นย่อมสามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆได้ภายในเจ็ดวันถ้าไม่เจ็ดวันก็ภายในเจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็ภายในเจ็ดปีจะได้รับผล จากการศึกษาจากการปฏิบัติอย่างแน่นอน <Yeah. S 1> และก็เป็นปลายดามที่พระพุทธเจ้าได้สง่ง <Yeah. S 1> รับประกันมีผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุ ก, กันตามขอบเวลาที่ท่านได้ทร ง, งแสดงไว้ <Yeah. S 1> จึงไม่เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องมาลังเลสงสัยกันสิ่งที่พวกเราควรจะทำก็คือ ควรจะน้อมนำเอาธรรมที่ท่านทรงสอนให้มาปฏิบัติกันเท่านั้นเองถ้าเราปฏิบัติได้แล้วเราก็จะเป็นพระสุปฏิปันโนขึ้นมาเป็นได้ทั้งคารวะเป็นไ ด, ได้ทั้งนักบวชเพราะคำว่าสุปฏิปันโนนี้ไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือน ไม่ได้ีอยู่ที่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ผู้ใดถ้าสามารถปฏิบัติได้ปฏิบัติธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติได้ผู้นั้นก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้บรรลุ ถ, ถึง พระอริยบุคคลขั้นต่างๆได้การที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลนั้นจำเป็นต้องมีปัญญาที่จะมาใช้ในการละสังโยชนสิบประการด้วยกันและการที่จะมีปัญญาได้จำเป็นที่จะต้องมีสมาธิก่อน เพราะถ้าไม่มีสมาธิปัญญาจะปัญญาที่จะใช้ในการละสังโยชน์จะเกิดขึ้นไม่ได้ปัญญานี้ในพระพุทธศาสนานี้มีอยู่สามระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าสุตมะยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาอย่างที่ท่านทั้งหลายกำลัง ทำกันอยู่ในขณะนี้เรียกว่าท่านกําลังมาเจริญสุตตะมยยปัญญามาสร้างสุตตะมายปัญญาความรู้ที่ท่านจะนำเอาอไปพัฒนาต่อไปเป็นความรู้ระดับรากเง้าถ้าเป็นต้นไม้ก็เป็นต้นกล้ายัางไม่ได้เป็นต้นไม้ใหญ่ที่ออกดอกออกผลขั้นต้นเราต้องมีต้นกล้าก่อน เมื่อเราได้ต้นกล้าแล้วเราก็นำเอาไปเพาะลงดินเมื่อได้ลงดินแล้วก็คอยหมันพรวนดินคอยหมันรดน้ำคอยดูแลรักษาป้องกันไม่ให้อะไรมากัดมาทำลายต้นกล้าที่เราปลูกเอาไว้ต่อไปต้นกล้าก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วหลังจากนั้น ก็จะกลายเป็นก็จะออกดอกออกผลตามมานี่คือปัญญาระดับแรกที่ท่านได้ยินได้ฟังกันอยู่นี้เรียกว่าเป็นปัญญาระดับต้นกล้าแล้วเอาต้นกล้าจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้หว่านต้นกล้าปลูกต้นกล้าให้กับพวกเราแล้วก็มอบให้กับพวกเรา เพื่อให้พวกเหล่านี้นำเอาไปเพาะปลูกในที่ดินของเราแล้วพอเรานำเอาไปเพาะปลูกเราก็คอยหมั่นดูแลรักษาต้นกล้าไว้ให้ดีเพื่อให้ต้นกล้าได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่เมื่อเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็จะออกดอกผลตามมาต่อไป ปัญญาขั้นแรกเราเรียกว่าสุตมะยปัญญาคือความรู้ที่เราได้เรียนรู้จากการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียนรู้ว่าเราจะต้องสร้างปัญญาขึ้นมาให้ใช้ปัญญานี้มาดับความทุกข์ต่างๆ ปัญญาที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้พวกเรานำมาไปใช้ในการละสังโยชน์ในการดับความทุกนี้ก็คืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคละไปลักษ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือสภาพความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างในที่มีอยู่ในโลกนี้นั้นตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังไม่เที่ยงมไม่ถาวรมีเกิดแล้วย่อมมีดับไปเป็นธรรมดามอนัตตาไม่มีตัวตนไม่เป็นของใครเป็นของธรรมชาติทั้งหมดแม้แต่ร่างกายของพวกเราที่เราคิดว่าเป็นของเรานี้มันก็ไม่ได้เป็นของเรา มันเป็นของธรรมชาติมันเป็นมาจากธาตุทั้งสี่คือธาตุดินน้ำลมไฟเป็นต้นมารวมตัวกันเพื่อก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาด้วยอาการ32คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกต่างๆเป็นต้นแล้วก็อยู่ไปได้ระยะหนึ่งไม่เกินร้อยปี เป็นส่วนใหญ่ร่างกายนั้นก็จะสิ้นสุดลงร่างกายที่มีอาการ32ก็จะย่อยสลายกลับคืนสู่ธาตุเดิมคือกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปต่อไปไม่ได้เป็นของใครเป็นของดินน้ำลมไฟแต่พวกเราที่ไม่ได้ศึกษาทมพวกเราก็จะไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ที่จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามาศึกษามาดูความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามเมื่อเกิดมาแล้วย่อมอยู่ภายใต้กฎของอนิจจงคือความไม่ถาวรมีเกิดแล้วก็ต้องมีการเสื่อมคือมีความแก่แล้วก็มี ความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็มีความตายไปนี่คือตายลักษ์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาศึกษาแล้วก็เอามาสอนใจเราอยู่เรื่อยๆตอนนี้เราได้รับสุตตมยปัญญาจากพระพุทธเจ้าแล้ว ท่านสอนให้เราพิจารณาร่างกายของเราว่าไม่เที่ยงนะเกิดแก่เจ็บตายนะความรู้สึกที่เราได้รับสัมผัสทางร่างกายก็ไม่เที่ยงเช่นเดียวกันมีความรู้สึกสุขบ้างมีความรู้สึกทุกข์บ้างมีความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์บ้างนะสลับกันไปสลับกันมาเราไม่สามารถที่จะไปสั่งเขา ให้แสดงแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวร่างกายของเราบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์บางวันก็ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆเราอยากให้มันสุขแต่เราก็ไม่สามารถสั่งให้มันสุขได้ตลอดเวลานี่คืออนิจจังของขันห้าคือรูปกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ นี่คือสิ่งที่ พ, พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาศึกษามาทำความเข้าใจว่ารูปเวทนาสัญญาสังขาร น, นี้เป็นของไม่เที่ยงรูปคือร่างกายของพวกเราเวทนาก็คือความรู้สึกต่างๆที่เราสัมผัสรับรูบร้กัน สุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างสลับกันไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนดินฟ้าอากาศฝนตกบ้างฝนไม่ตกบ้างแดดออกบ้างแดดไม่ออกบ้างเป็นเป็นธรรมชาติเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีใครไปควบคุมบังคับให้ฝนไม่ตกได้ ไม่มีใครไปสั่งให้ฝนตกได้มไม่มีใครไปสั่งให้แดดออกได้<ม> เ, ปเป็นเรื่องของธรรมชาติฉันใดเวทนาคือความรู้สึกก็เช่นเดียวกันไม่มีใครสามารถไปสั่งให้มีแต่สุ ข, ขเวทนาเพียงอย่างเดียวมไม่ให้มีทุกขเวทนาเลย<ม>เป็นไปไม่ได้ร่างกายของเราบางเวลาก็สุข บางเวลาก็ทุกข์เช่นเวลาหิวข้าวหิวน้ำก็เกิดอาการทุกขเวทนาขึ้นมาพอได้รับประทานอาหารเข้าไปได้ดื่มน้ำเข้าไปจนอิ่มก็เกิดสุ ข, ขเวทนาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไม่นานสุ ข, ขเวทนานั้นก็หายไปกลายเป็นไม่สุขไม่ทุก ข, ขเวทนาแล้วถ้า ปล่อยไปอีกระยะหนึ่งเดี๋ยวความหิวน้ำหิวหิวข้าวก็ปรากฏขึ้นมาอีกก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาอีกนอกจากนั้นยังมีความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวก็ปวดศรีรษะเดี๋ยวก็ปวดท้องปวดแข้งปวดขาปวดไปตามตามร่างกายต่างๆตามอาวิวัยวะต่างๆ นี่คือสภาพของอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของอวัยวะของร่างกายที่มีการเจริญแล้วก็ย่อมมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาตอนที่เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวนี้ร่างกายไม่ค่อยเจ็บป่วยเท่าไหร่ไม่เหมือนกับตอนที่มีอายุมากเป็นผู้สูงอายุ ตอนนั้นร่างกายเริ่มเสื่อมอวัยวะต่างๆเริ่มเสื่อมเริ่มไม่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์เริ่มมีการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็เจ็บท้องบ้างเดี๋ยวก็เจ็บศีรษะเดี๋ยวก็เจ็บแขนเจ็บเท้ามีเรื่องเจ็บปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนี่คือเวทนาเป็นอนิจจังไม่เที่ยง เป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปสั่งให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้ <Yeah. S 1> เมื่อเราไม่ได้ศึกษาเราก็จะเกิดความหลงขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ <Yeah. S 1> อยากให้ร่างกายนี้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย <Yeah. S 1> อยากให้ร่างกายนี้ไม่ตาย พอเราเกิดความอยากเราก็เลยผลิตความทุกข์ขึ้นมาในใจนี่เองเนี่ยนี่คือความทุกข์ที่พวกเราผลิตกันขึ้นมาเองไม่ได้เกิดจากธรรมชาติไม่ได้เกิดจากร่างกายแต่เกิดจากความหลงเกิดจากความอยากของเราที่ไปหลงคิดว่าเราสามารถที่จะควบคุมบังคับสั่งให้ร่างกายให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียว สั่งให้ร่างกายเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันอันนี้เป็นเพราะเราไม่ได้มีปัญญากันถ้าผู้มีปัญญาคือผู้ที่ได้มาศึกษาได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้มีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดามีสุ ข, ขเวทนาเวลาที่มันเจริญ แล้วก็มีทุกขเวทนาเวลาที่มันเสื่อมลงไปผู้ที่มีปัญญาก็จะปล่อยวางร่างกายคือยอมรับสภาพความเป็นจริงของร่างกายเพราะรู้ว่าถ้าไปอยากให้ร่างกายฝืนสภาพความเป็นจริงอยากให้ร่างกายเป็นไปที่เป็นไปที่เป็นไปไม่ได้คืออยากให้ร่างกายไม่แก่ อยากร่างให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้ร่างกายไม่ตาย <Yeah. S 2> พอเกิดความอยากเหล่านี้ <Yeah. S 2> ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา <Yeah. S 2> นี่คืออริยสัจ <Yeah. S 2> เราเรียกว่าทุกไดอริยสัจ <Yeah. S 2> ความทุกข์ใจนี้ที่เกิดจากความอยากให้สิ่งที่เป็นอ น, าตานัตตนี้ให้เป็นอัตตาคือให้เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ การควบคุมบังคับของเราอ<ม>แต่มันเป็ น, ปนไปไม่ได้<ม>พอเราอยากให้มันไม่แก่แล้วมันไม่ยอมมันมันมันแก่พอเวลามันแก่ใจเราก็ทุกข์กันญ<ม>าติโยมทุกข์กับความแก่ไห ม, มเพียงแต่เห็นผมงอกเส้นสองเส้นก็ทุกข์กันแล้วไม่สบายใจกันแล้ว เลยเห็นผมหงอกขึ้นมาหน่อ ย, เ, อยเห็นหนังเหี่ยวหน่อยหนังตาหย่อนหน่อยอก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้ว น, นี่แหละคืออริยสัจความความเป็นจริงรความจริงที่เกิดในใจของพวกเรารเกิดจากความอยากของพวกเราให้สิ่งที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยง อยากให้ร่างกายไม่แก่เนี่ยอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้ร่างกายไม่ตาย<ม>แต่อยากยังไรมันก็เปลี่ยนแปลงความจริงไม่ได้<ม>ความจริงก็คือร่างกายก็เจแก่ไปเรื่อยๆ<ม>ทุกวันเวลานี้ร่างกายขยับเข้าสู่ความแก่เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ<ม>แล้วเดี๋ยวในที่สุด ก่อนที่จะตายก็เริ่มมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆไปหาหมอหมอก็บอกเป็นโรคเบาหวานบ้างนะเป็นความดันบ้างแล้ว <c oughs> เป็นโรคไตบ้างแล้ว <c oughs> นี่แหละคืออนิจจังอนัตตาเป็นอย่างนี้ <c oughs> คนที่ได้ศึกษาได้ปัญญาจากพระพุทธเจ้าสิ่งที่ต้องทำต่อไปเพื่อเอาปัญญานี้มาพัฒนา <c oughs> ให้เป็นปัญญาระดับที่สองที่เรียกว่าจินตามยปัญญาคาว่าจินตามยปัญญาก็คือให้เรามาพิจารณาอยู่เนืองเนืองอปัญญาที่เราได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าเพราะว่าถ้าเราไม่มาพิจารณาเราจะลืมนั่นเองเช่นญาติโยมฟังธรรมวันนี้แล้วเดี๋ยวพอญาติโยมกลับไปบ้านยอดโยมก็ไปมีเรื่องมีราวอย่างอื่นต้องทาต่อ ก็ต้องคิดกับเรื่องราวที่ต้องทำคิดกับเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆก็จะลืมเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังกันในวันนี้แต่ถ้าเราไม่อยากจะให้ลืม <c oughs> กลับไปเราก็ต้องพยายามคิดอยู่เรื่อยๆวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างเราได้เรียนรู้ไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาว่าอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็คือร่างกายแล ะ, ะความรู้สึกนึกคิดในใจของเรานี้ที่เรียกว่านามขันร่างกายเป็นรูปประขันแล้วความรู้สึกนึกคิดนี้เป็นนามาขันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยเรื่อยมีการเจริญมีการเสื่อมอและมีการสิ้นสุดลงร่างกายนี้มีวันสิ้นสุดลง ร่างกายของคนเราทุกคนต่อไปก็ต้องไปอยู่ที่วัดกันไปอยู่ที่เมนกันแล้วเขาก็จะใช้ไฟเผาจนกระทั่งกายเป็นเศษกระดูกไปกลายเป็นเศษขี้เท่าไปกลับคืนสู่ธาตุเดิมคือธาตุดินที่เห็นที่เหลืออยู่นั้นคือธาตุดินส่วนที่ไม่เห็นคือธาตุน้ําก็ถูกไฟเผาแลเหยไปหมด ธาตุไฟก็ดับไปธาตุลมก็หมดไปนี่คือสิ่งที่เราต้องนำเอามาพัฒนาต่อเหมือนได้รับต้นกล้ามาแล้วเราก็ต้องเอาไปปลูกลงไปในดินปลูกในดินแล้วเราก็คอยรดน้ำพรวนดินเพื่อต้นไม้จะได้เจริญเติบโตต่อไปปัญญาก็แบบเดียวกันหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังเรื่องไตรลักษ แลเรื่องอริยสัจสี่ในวันนี้แล้วเราก็ต้องเอาไปพิจารณาต่อว่าไตารลักษณ์คืออะไรอะไรคือไตรลักษณ์อะไรคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรคืออริยสัจเราก็ต้องเอามาทบทวนอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมนั่นเองอันนี้เรียกว่าจินตามายะปัญญา ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆคิดอยู่บ่อยๆต่อไปเราจะจำจาได้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงนะร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะ mm. เวทนาก็ไม่เที่ยงนะ mm. เวทนาก็มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสามวันดีสี่วันไข้วันนี้เจ็บไม่วันนี้ไม่เจ็บพรุ่งนี้เจ็บเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรียกว่าเวทนา แล้วสั่งมันได้ไม่ว่าวันนี้ไม่เจ็บพรุ่งนี้ไม่เจ็บสั่งมันไม่ได้เวลามันจะเจ็บมันก็เจ็บขึ้นมาของมันเรียกว่าอนัตตาคือเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เหมือนกับฝนวันนี้วันนี้ฝนตกเราสั่งให้มันไม่ตกได้ไหม วันนี้มีการฟังธรรมในช่วงสองโมงสั่งให้ฝนไม่ตกได้ไหมก็สั่งไม่ได้แต่เราทุกข์กับฝนไหยเราไม่ค่อยทุกข์กับฝนกันเพราะอะไรเพราะเราไม่ไปเรารู้ว่าเราไปอยากกับฝนไม่ได้นั่นเองอยากให้ฝนตกอยากให้ฝนไม่ตกไม่ได้เรารู้ว่าฝนจะตกก็ต้องปล่อยเขาตกไปฝนจะไม่ตกก็ต้องปล่อยเขาไม่ตกไป เราจึงไม่ค่อยทุกกับฝนเท่าไหร่เพราะเรายอมรับความจริงของฝนฟ้าอากาศนั่นเองแต่กับร่างกายกับความรู้สึกคือเวทนานี้เรากลับรับไม่ได้เพราะเรากลับไปคิดว่าเราสั่งมันได้สั่งให้ทุ ก, กข์เขวเวทนาหายไปได้สั่งให้ป้องกันไม่ให้ทุกขขเวทนาเกิดขึ้นมาได้ ซึ่งบางเวลาเราก็ทำได้เวลาเกิดทุกขเวทนาบางทีเราก็ดับมันได้กินยาแก้ปวดแล้วมันก็หายไปแต่มันไม่หายไปอย่างถาวรเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกกลับมาอยู่เรื่อยๆต่อให้เรากินยากี่ชนิดก็ตามความเจ็บไข้ได้ปวยของร่างกายนี้มันก็จะตามมาอยู่เรื่อยๆ จนกระทั่งหมอและคนไข้ต้องยอมแพ้ต้องยกทงข่าวยอมรับว่ารักษาไม่ได้แล้วพราะถึงตอนนั้นร่างกายก็ถึงแก่ความตายไปแต่นี่คือปัญญาขั้นที่สองที่พวกเราต้องมาเจริญกันคือมาพิจารณากันอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายเป็นไตรลักษณ์เวทนานี้เป็นไตรลักษณ์ เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้าเราไปอยากให้มันเป็นนิจจังเป็นอนัตตาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมามความทุกข์ใจเกิดจากความอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเที่ยงนั่นเองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยากให้ฝนไม่ตกอยากให้แดดไม่ออกไม่ได้เวลาฝนจะตกเขาก็ตกของเขาไปเวลาแดดจะออกแดดเขาก็ออกไป ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาปล่อยให้เขาตกปล่อยให้เขาออกเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเพราะเราไม่ได้มีความอยากให้ฝนไม่ตกอยากให้แดดออกเป็นต้น <Yeah. S 1> เราก็ควรที่จะนำมาใช้กับร่างกายของเรา <Yeah. S 1> อย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่อย่าไปอากอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่ตาย yeah. เพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเรายังห้ามความอยากนี้ไม่ได้เราก็ต้องมาพัฒนาปัญญาขั้นที่สองนี้ให้กลายเป็นปัญญาขั้นที่สาม <Yeah. S 1> ปัญญาขั้นที่สามนี่แหละจะเป็นปัญญาที่จะทำให้เรานี้ตัดความอยากต่างๆได้ตัดความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ วิธีที่จะทำให้ปัญญาขั้นที่สองเป็นขั้นที่สามก็คือเราต้องไปฝึกสมาธิกันไปบำเพ็ญส ม, มถภ า, ภาวนาเพราะปัญญาขั้นที่สามนี้มีชื่อว่าภาวนามายปัญญาเนี่ยคือเป็นปัญญาของขั้นที่สองที่เราจดจำไว้มาประครบกับ มารวมกับการภาวนาคือส ม, มะถะภาวนามาทำใจให้สงบให้หยุดความอยากเนี่ยความอยากนี้ต้องหยุดด้วยการภาวนาการนั่งสมาธิ เวลาเรานั่งสมาธิเราควบคุมความคิดด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพอเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องอะไรต่างๆได้พอเราหยุดคิดปับ๊บใจเราก็สงบขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาพอใจสงบหยุดคิดปับ๊บ ความอยากที่มีอยู่ก็จะหายไปก็จะหยุดไปความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็จะหายไปเนี่ <Yeah. S 1> พอเรามีภาวนามีกำลังที่จะหยุดความอยากแล้วพอเราเอาปัญญามาสอนใจว่าต่อไปนี้อย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่อย่าไปอยากให้ร่างกายไม่เจ็บเนะอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่ตายนะถ้าเรา ทำได้เราก็จะละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งได้ทันทีสังโยชน์ข้อที่หนึ่งก็คือการมีสักกายะทิฏฐิคือการมีความเห็นว่าขันห้าคือร่างกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับเป็นสิ่งที่เราสั่งได้ ซึ่งเราหลังจากที่ได้ศึกษาด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาไม่ทุกข์ไม่ได้สั่งให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้พอเรารู้ความจริงเราก็หยุดหยุดความอยากที่จะให้ ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวทนาไม่ทุกข์หยุดไม่ได้ล้วหยุดความอยากได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย mm hmm. เราก็จะได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันขึ้นมาพอเราละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งได้เราก็จะละสังโยชน์ข้อที่สองและข้อที่สได้พร้อมๆกันเพราะมาเป็นพวงเดียวกันสังโยชน์ สามข้อแรกคือหนึ่งสักกายทิฏฐิการมีความเห็นว่าขันห้าคือร่างกายและเวทนานี้เป็นตัวเราของเรา<ม>เป็นของที่เที่ยงเป็นของที่จะให้ความสุขกับเรานี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงมันเป็นอานิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่ใช่เป็นของเราเราไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้ เป็นเป็นสิ่งที่จะทำให้เราทุกข์ถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นของเราอยากให้เขาเที่ยงนั่นเองพอเราละข้อนี้ได้เราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าทุกข์ของพวกเรานี้เกิดจากความอยากของพวกเรานี่เองและเกิดจากการกระทำบาปต่างๆการกระทำบาปของพวกเรานี้เช่นพยายามรักษาร่างกายของเราด้วยวิธีทำบาป รักษาแล้วมันก็ทำให้เราต้องทุกข์กันเวลาเราต้องไปลักขโมยไปทำอะไรเพื่อมารักษาชีวิตของเราให้มันเที่ยงเนี่เราก็จะเกิดความทุกข์ใ จ, จเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาก็จะทำให้เหล่านี้ล ะ, ะสังโยชน์ข้อที่สองข้อที่สามได้ เราเห็นว่าธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนนี้เป็นความจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนใจลักเป็นความจริงทรงสอนอริยสัจสีว่าเป็นความจริงเมื่อเราเห็นธรรมเราก็จะเห็น <geograph> พระพุทธเจ้าเพราะธรรมนี้มาจากพระพุทธเจ้านั่นเองคำสอนนี้มาจากพระพุทธเจ้า เราก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงหรือไม่มีจริงเพราะเราได้เห็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริง และผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมก็คือพระอริยสงสาวกนี้ก็คือเรานี้เองเราผู้ปฏิบัติธรรมเราผู้ที่ได้ละสังขละสังโยชน์ทั้งสามข้อนี้ได้เราก็จะเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันนี่ฉะนั้นสังโยชน์สามข้อแรกนี้ก็จะถูกละไป ด้วยการเจริญปัญญาในขันห้าพิจารณาขันห้าว่าเป็นปลายลักษ์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้าไปอยากให้ขันห้านี้เป็นของเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอริยสัจถ้าเห็นว่าขันห้านี้เป็นอนิจจังทุกขันอนัตตาก็ไม่ไปอยากให้มัน ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทุกข์ก็จะดับไปทุกข์ที่เกิดจากความอยากที่เกี่ยวกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายก็จะหายไปหมดพระอริยสงฆ์ขั้นแรกนี้ท่านจะไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวความแก่ท่านจะอยู่ได้อย่างสบายเพราะท่านแยกใจออกจากร่างกายได้นั่นเอง แ, แยกใจออกจากเวทนาได้เหมือนกับเห็นร่างกายของตนนี้เหมือนเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นพวกเรานี้เวลาเราเห็นคนอื่นเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราทุกข์หรือเปล่าเราไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มีความอยากให้ร่างกายของเขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายร่างกายเขาแก่ก็เรื่องของเขาร่างกายเขาเจ็บก็เรื่องของเขาร่างกายของเขาตายก็เรื่องของเขา จันใดผู้ที่เจริญปัญญาก็จะเห็นร่างกายของตนเองเหมือนกับร่างกายของผู้อื่นเห็นว่าร่างกายของตนก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยากไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองนี่ก็จะทำให้ดับความทุกข์ในระดับขั้นที่หนึ่งขั้นของพระอริยขั้นที่หนึ่งได้คือขั้นพระโสดาบัน แล้วก็จะละสักกายะทิฏฐิคือละละวิจิตกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <Yeah. S 1> ผู้ที่มีได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งนี้ไม่ต้องไปอินเดียไม่ต้องไปพิสูจน์ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่า <Yeah. S 1> เกิดที่อินเดียตายที่อินเดียจริงหรือเปล่า <Yeah. S 1> พอรู้ได้อย่างชัดเจนจากการศึกษาจากการปฏิบัติธรรมนี้ ว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงเพราะคำสอนที่เราเอามาใช้ในการดับความทุกข์ในใจของเรานี้สามารถดับได้จริง mm. เมื่อเราเอาธรรมะคำสอนมาดับความทุกข์ได้เราก็รู้ทันทีว่าคนที่สอนนี้ต้องมีจริงคนที่สอนนี้ได้ดับความทุกข์มาแล้วด้วยธรรมะอันนี้พระพุทธเจ้าใช้ธรรมะที่เอามาสอนพวกเรานี้ดับความทุกข์ของพระพุทธเจ้าก่อน พอดับความทุกข์ได้หมดแล้วท่านก็เอามาสอนพวกเราเพื่อให้พวกเรานำอาไปใช้ดับความทุกข์ต่อไป <Yeah. S 1> นี่คือเรื่องของการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งต้องละสังโยชน์ <Yeah. S 1> สามข้อแรก <Yeah. S 1> คือสั ก, กยญาิทิฏวิจิตกิจฉาแล ะ, ล ะ, ะศีลพัตตาประ a m a สักกายทิฏฐิก็อย่างที่พูดการเห็นว่าร่างกายเวทนาเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราสักกายะวิจิกิจฉาความสงสัยว่าพระพูดพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่เป็นของจริงหรือไม่และศีลละพัปราม a m ก็คือศีลหรือกฎแห่งกรรมนี้เป็นของจริงหรือไม่ทำทำบาปแล้วได้รับ ความทุกข์จริงหรือไม่ไม่ทำบาปแล้วจะไม่ได้รับความทุกข์จริงหรือไม่ผู้ที่ได้ปฏิบัติจะเห็นชัดเจนภายในใจทันทีว่าทุกข์นี้เกิดจากการกระทำบาปหรือเกิดจากการกระทำตามความอยากต่างๆถ้าไม่ทำบาปไม่ทำทำทำตามความอยากแล้วความทุกข์ในใจจะไม่เกิดขึ้นมา นี่เรียกว่าเป็นพระโสดาบันขั้นที่หนึ่งผู้ที่เป็นพระโสดาบันนี้ยังต้องกลับมาเกิดอีกแต่ไม่กลับไม่เกินเจดชาติเป็นอย่างมากเพราะว่าสมมุติว่าถ้าชาตินี้ยังไม่บรรลุถึงพระนิพพานยังไม่ได้ขึ้นสู่ขั้นที่สแล้วเกิดมีอุบัติเหตุทําให้ต้องตายไปก่อนก็จะกลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์ ไม่เกินเจ็ดครั้งแล้วมาปฏิบัติต่อผู้ได้เป็นพระอริยะแล้วนี้ไม่จําเป็นจะต้องมาพบกับพระศาสนาอีกต่อไปเพราะมีพระพุทธศาสนาอยู่ภายในใจแล้วคือมีไตลักษ์มีอนิจมีอริยสัจ ส, สีอยู่ภายในใจที่ไม่มีวันลืมเนีพระอริยะบุคคลทุกคนนี้จะไม่ลืมเรื่องไตลักษ์จะไม่ลืมเรื่องอริยสัจ ส, สี่ไม่ว่าจะมา กลับมาเกิดกี่รอบก็ตามก็จะรู้ว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากของตนต่อไปก็จะใช้ความรู้อันนี้มาดับความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่ภายในใจ mm hmm. ความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่ภายในใจของพระโสดาบันคืออะไรก็คือความทุกข์ที่เกิดจากสังโยชน์อีกสองข้อคือการมาราคะกับปฏิฆะ mm hmm. การมาราคะนี้แปลว่า ความอยากเสพกามหรือความยินดีในการเสพกามคือการร่วมหลับนอนกันระหว่างสามีภรรยาเป็นต้นอันนี้เรียกว่าการมาราคะแล้วก็ปฏิฆะก็คือความหงุดหงิดใจสองข้อนี้มาพร้อมๆกันเวลาเกิดการมาราคะแล้วก็จะเกิดความรู้สึกหงุดหงิดใจขึ้นมาไม่มีความสุขใจจึงทำให้ บังคับให้ต้องไปเสพกามกันไปหาแฟนไปร่วมหลับนอนกันพอหลังจากได้ร่วมหลับนอนได้เสพกามเสร็จปั๊บกามกา ม, กามราคะก็หยุดไปปฏิฆะความหงุดหงิดใจก็หายไปแต่มันไม่หายอย่างถาวรเท่านั้นเองหลังจากนั้นอีกสักระยะหนึ่งมันก็กลับมาใหม่ ก, กามาราคะก็กลับมาใหม่อีก ปฏิฆะความหงุดหงิดใจก็จะกลับมาใหม่อีกคนเราเลยต้องเสพกรามกันอยู่เรื่อยๆต้องร่วมหลับนอนกันอยู่เรื่อยๆเวลาไหนที่ไม่ได้ร่วมหลับนอนกันแล้วเกิดความอยากจะเสพกรามขึ้นมาเวลานั้นก็จะเกิดความรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจมีควา ม, มรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาครับ ถ้าเป็นพระสุดาบันท่านก็จะรู้ทันทีว่าความไม่สบายใจของตนนี้เกิดจากกามราคะอ๋อตอนนี้เริ่มอยากจะเสพกามแล้วแล้วถ้าอยากจะแก้ปัญหานี้อย่างถาวรวิธีแก้ก็คือต้องฝืนกามาราคะอย่าไปเสพกามาราคะเพราะถ้าเสพกามาราคะแล้วมันไปส่งเสริมให้มันกลับมามีกาลังมากขึ้นถ้าอยากจะให้มันมีกาลังน้อยลงแล้วหายไป ต้องไม่เสพกามให้ได้แล้ววิธีที่จะทำให้ไม่เสพกามได้ก็คือต้องมาคิดถึงคนที่เราอยากจะร่วมหลับนอนด้วยว่าไม่สวยไม่งามว่าสกรปรกว่าไม่น่าดูไม่น่าชมเราจะทำยังไงเราถึงจะเห็นว่าคนที่เราอยากจะร่วมหลับนอนกันนั้นเขาไม่น่าดูน่าชมแล้วก็น้องนึกถึงสภาพเวลาที่เขาตายไปเป็นต้นน ถ้าเขากลายเป็นศพแล้วนี่เรายังอยากจะร่วมหลับนอนกับเขาหรือไม่ลองถามตัวเองดูว่าถ้าเกิดสามีหรือภรรยาของเราตายไปวันนี้เรายังจะเก็บเขาไว้ในบ้านคืนนี้นอนกับเขาเอีกหรือเปล่าใครคิดอย่างนี้คิดคิดถึงสภาพของความไม่สวยไม่งามของร่างกายร่างกายเวลาตายนี้ไม่น่าดูเลยหรือจะมองเข้าไปภายใต้ผิวหนังก็ได้ร่างกายนี้ ภายใต้ผิวหนังนี้มีอาการอีกเยอะแยะมีอวัยวะต่างๆที่เรามองไม่เห็นกันเช่นโครงกระดูกนี่ก็มีอยู่ในร่างกายอวัยวะต่างๆปอดหัวใจตับไตไส้พุงอะไรต่างๆนี่ก็มีอยู่ในร่างกายนี้ และของสกปรกต่างๆที่เราขับถ่ายออกมาก็มีอยู่ในร่างกายอันนี้ถ้าเราพิจารณาส่วนที่ไม่สวยไม่งามนี้ในร่างกายของคนที่เราอยากจะร่วมหลับนอนด้วยความอยากจะเสพกามมันก็จะหายไป น, นี่คือวิธีที่เราจะกําจัดการมราคะพระสวดาบัลในเบื้องต้นก็จะสามารถพิจารณาได้เป็นพักๆ คือกำลังของปัญญายังไม่ต่อเนื่องบางเวลาก็เห็นอสุภะบางเวลาก็ไม่เห็นอสุภะเวลาเห็นอสุภะก็ดับการมาราคะได้แต่เวลาที่ไม่เห็นอสุภะไปเห็นสุภะเข้าก็เลยเกิดการมาราคะขึ้นมาอีกนี่คือขั้นที่สองของผู้ปฏิบัติที่จะเป็นพระอริยาบุคคลคือสามารถทำให้การมาราคะนี้เบาบางลงไปแต่ไม่หมด ก็จะได้บรรลุขั้นที่สองของพระอริยบุคคลที่เรียกว่าพระสกิดาคามีผู้ที่ทำการมาราคะให้เบาบางลงแต่ยังไม่สามารถกำจัดให้หมดสิ้นไปได้คือเมื่อก่อนนี้มีแต่กามอารมณ์อยู่ตลอดเวลาแต่พอเริ่มพิจารณาอสุภะการมอารมณ์ก็เริ่มเบาบางลงเวลาคิดถึงอสุภะทีไร การมารมณ์ที่มีอยู่ในใจก็จะเบาบางลงไปทันทีอันนี้ก็ได้บรรลุขั้นที่สองคือขั้นสกิดาคามีผู้ที่บรรลุขั้นสกิดาคามีได้นี้จะไม่กลับมาเกิดเกินอีกหนึ่งชาติเป็นอย่างมากเพราะจะสามารถบรรลุทำที่สูงกว่านี้ไปได้ถ้าไม่บรรลุในชาตินี้ถ้าตายไปก็จะกลับมาเกิดอีกเพียงชาติเดียวของการเป็นมนุษย์ แล้วก็จะสามารถยกระดับขึ้นสู่ระดับขั้นที่สามได้คือขั้นพระอนาคามีพระอนาคามีนี้ท่านสามารถพิจารณาอสุภะได้ตลอดเวลาเห็นอสุภะตลอดเวลาเห็นร่างกายของใครปั๊บเห็นทะลุเข้าไปภายใต้ผิวหนังทันทีเห็นว่าเป็นซากศพขึ้นมาทันที เห็นโคลงกระดูกเห็นตับเห็นปอดเห็นไตเห็นลำไส้เห็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลที่มีอยู่ในร่างกายทันทีนะผู้ที่เห็นอย่างนี้แล้วการมาการมาราคะนี้จะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้ต่อไปผู้ที่ได้ขั้นที่สามนี้จะไม่ต้องกลับมาเกิดในภพของมนุษย์อีกต่อไปเพราะไม่มีความอยากจะเสพการหลงเหลืออยู่ในใจเนี่ย ผู้ที่ยังมาเกิดในภพของมนุษย์นี้แสดงว่ายังมีการมาราคะกันอยู่อย่างพวกเราทุกคนนีที่ยังมาเป็นมนุษย์กันอยู่นี้เป็นเพราะว่าเรายังมีการมาราคะกันเรายังอยากจะเสพกามกันยังอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนกับสามีกับภรรยาอยูเย่เพราะเรายังไม่ได้เจริญอสุภกรรมฐานกั น, นถ้าเราจเจริญอสุภกรรมฐานได้ เราก็จะสามารถตัดการมาลมได้ถ้าตัดได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในการมาพบคือพบของมนุษย์นี้ต่อไปแต่เรายังไปติดอยู่ในพบของรูปประภรมกับรูปประพรม พระอริยบุคคลขั้นที่สามนี้ท่านออกจากกามภาพได้แต่ท่านยังออกจากรูปภพกับอรูปภพไปได้เพราะท่านยังไปติดรูปฌานกับอรูปฌานอยู่เพราะว่าการที่จะเจะละกามราคะได้นี้จําเป็นต้องมีสมาธิมีรูปฌานมีอรูปฌานเป็นเครื่องมือนั่นเอง เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขทดแทนความสุขที่ได้จากกามาราคะนพวกนักบวชนี้เข้าหาความสุขจากการเข้าฌานกันเข้าสมาธิกันเข้ารูปประชานอารูปประชานเขาเลยมีกำลังที่จะตัดกามาราคะได้ส่วนญาติโยมหรือผู้ที่ยังไม่เข้าถึงรูปประชานนี้ จะไม่สามารถตัดการมาราคะได้เลยถ้าอยากจะตัดการมาราคะนี้ต้องมาฝึกสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็พิจารณาอสุภะไปควบคู่กันไปแล้วก็จะสามารถละกามราคะได้ดังนั้นหลังจากที่ละกามาราคะได้ก็ไปติดรูปราคะกับอรูปราคะ คือความยินดีในรูปประชานและอหรืออารูปประชารต่อไปพอมาถึงขั้นนี้ก็ต้องมาตัดมลสังโยชตอีกห้าข้อภาณารามีคือพระอริยบุคคลขั้นที่สท่านละสังโยชได้ห้าข้อแรกคือละสักกายทิฏฐิละวิจิตกิจฉาละศีลภัตตปรมาตละกามราคะและละปฏิฆะได้แล้ว แต่ท่านยังมีสังโยชน์เหลืออีก5ข้อเรียกว่าสังโยชน์เบื้องบนสังโยชน์ห้าข้อแรกนี้เรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำคือเบื้องต่ำก็คืออยู่ขั้นต่ำอยู่ในพบที่ต่ำกว่านั่นเองคือกามาพบแต่ท่านยังละสังโยชน์เบื้องบนที่ทำให้ท่านติดอยู่ที่รูประพบหรืออรูประพบไม่ได้ ท่านก็ต้องมาพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่ารูปประชานก็ดีอรูปปัจจานก็ดีที่ท่านหาความสุขด้วยนี้มันก็ยังเป็นทุกข์อยู่เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะรูปประชา น, นี้เราไม่สามารถอยู่ในรูปปัจจานหรืออรูปประชานได้ตลอดเวลาเดี๋ยวเราก็ต้องออกมา เพราะเรายังมีร่างกายอยู่เราต้องเลี้ยงดูร่างกายต้องออกมาดูแลร่างกายออกมารับประทานอาหารออกมาอาบน้ําอาบท่าออกมาทําอะไรเกี่ยวกับร่างกายพอออกมาความสุขที่ได้จากรูปปัจจานะรูปปัจจานก็หายไปะ ก็เลยทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราอยากจะให้ความสุขที่เราได้จากรูปประชานหรืออรูปประชานนี้ไม่หายไปนั่นเองแต่มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วเราก็จะเห็นว่าความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากความอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คืออยากจะให้เสพรูปประชานได้ตลอดเวลาหรืออรูปประชาตลอดเวลา เมื่อเป็นไปไม่ได้ก็ต้องละรูปประชาหรืออรูปประชาญเหมือนกับการละละกามราคะก็แบบเดียวกันพิจารณาว่าเป็นตายักไม่ต้องไปเสพมันอย่าไปเสพมันพอไม่เสพมันได้ละมันได้ใจก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์จากการที่ เวลาที่ฌานรูปฌานหรืออรูปฌานมันเสื่อมมันเป็นอนิจจ์นั่นเองถ้ายังมีความอยากให้สิ่งที่เป็นอนิจจงเป็นนิจจงเป็นสิ่งที่ถาวรอยู่ใจก็จะทุกข์ไปเรื่อยแต่พอเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเสื่อมเวลาเสื่อมก็อย่าไปทุกข์ใจเวลาเสื่อมก็อยู่กับความเสื่อมไป เวลาเจริญก็อยู่กับความเจริญไปเหมือนกับเวลาที่เราอยู่กับฝนตกแดดออกนี่ฝนตกก็ปล่อยมันตกไปแดดออกก็ปล่อยมันแดดปะออกไปถ้าใจแล้วไม่มีความอยากแล้วใจเราจะไม่ทุกข์กับมันในที่สุดก็จะมาเห็นว่านี่แหละรราาอรูปราคะอรูปราคะนี้ก็เกิดจากความไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปฌานและอรูปฌานนั่นเองก็จะละได้แล้วก็จะมาละ สังโยชน์อีกตัวหนึ่งคือมานะคือการถือตัวมานะนี้เราจะเมื่อเราเข้าไปถึงในตัวจิตแล้วเราจะเห็นว่ามานะคือความคิดนี่เองเราคิดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เวลาเราไม่คิดไอความเป็นนั่นเป็นนี่ก็หายไปก็จะเหลือแต่ตัวรู้เท่านั้นเองเราก็จะรู้ว่า มานะคือการถือตัวนี้เป็นความหลงถือว่าเราใหญ่กว่าเขาเล็กกว่าเขาสูงกว่าเขาต่ากว่าเขาเท่ากับเขาอันนี้เป็นเพียงความคิดของเราเท่านั้นเองพอเราเข้าสมาธิหยุดคิดปับ๊บความคิดความรู้สึกเหล่านี้ก็หายไปอัตตาตัวตนก็หายไปเราก็จะรู้ขึ้นมาทันทีว่า อัตตาตัวตนการถือเนื้อถือตัวนี้เกิดจากความหลงของเราหลงไปคิดตามความคิดของไปเชื่อตามความคิดของเราเท่านั้นเองความจริงแล้วพวกเราเหมือนกันหมดนพวกเราเป็นจิตใจเหมือนกันเป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรามาติดอยู่กับร่างกายแล้วก็ไปยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราแล้วก็อาศัยสถานภาพของร่างกายมาแยกกันว่าเราเป็นหญิงเป็นชายเรารวยเราจนเราสูงเราต่ำ คามจริงนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นสมมุติที่ตามมากับร่างกายอันนี้พอเราเข้าใจแล้วต่อไปเราก็ไม่ยึดไม่ถือว่าเราสูงหรือเราต่าเราดีหรือเราเราดีกว่าเขาหรือชั่วกว่าเขาเราก็เป็นเราเราก็เป็นผู้รู้ของเราเท่านั้นเองต่อไปเราก็จะไม่มีความรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องอัตราตัวตนเพราะเราจะไม่ถือตัวถือตน เราจะรู้ว่าเราเป็นเพียงแต่ผูร้รู้ตัวรู้เท่า น, นั้นเองเราก็จะรู้เราทาอะไรเราก็รู้ตามความเป็นจริงไปเท่า น, นั้นเองเราก็จะไม่ทุกข์กับการมีตัวอัตตาตัวตนอีกต่อไปใครจะด่า à, เราก็รู้ว่าเขาไม่ได้ด่า Titan. เราเขาก็ดา่าผู้รู้ก็รับรู้ไปเท่านั้นเองไม่มีตัวเราเออกไปรับคนที่การที่เขาด่าเราเพราะไม่มีเรา เรามันเป็นตัวความคิดท่านั้นเองเราเป็นตัวรู้ท่านั้นเองก็รับรู้ไปเขาด่าก็รู้ว่ารู้เขาดา่าท่าเขาชมก็รู้ว่าเขาชมไปทนั้นเองใจก็จะสักแต่ว่ารู้ไปเนี่ก็จะตัดอัตตาตัวตนแล้วก็ตัดความหลงคืออวิชชาคือความอยากต่างๆที่ยังมีหลงหรืออยู่ในใจให้หมดไปไม่ว่าจะอยากอะไรนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยถ้าอยากอะไรปุ๊บนี่ต้องหยุดททันี พอหยุดความอยากต่างๆทั้งหลายหมดสิ้นไปได้ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจนี้ก็จะเรียกว่าใจได้อยู่ที่นิพพานใจได้เป็นใจของพระอารหันต์ขั้นสูงสุดคือขั้นพระอารหรันต์พระอารหันต์นี้ก็เป็นผู้ที่ไม่มีความอยาก ต่างๆหลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปใจก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะทุกข์ย่อมม่ย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ไม่ว่าจะเกิดในภพไหนก็ตามก็ยังจะต้องมีความทุกข์อยู่เพราะภพที่ไปเกิดนั้นมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจัง เมื่อมันเป็นนิจจังมันก็จะเป็นทุกขังตามมานี่คือเรื่องของพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่มีทั้งผู้ที่เป็นพระและเป็นผู้เป็นผู้คลองเลือนเป็นนักบวชและเป็นผู้คลองเลือนแต่ก็ถือว่าเป็นพระเหมือนกันถ้าเป็นพระอริยะแล้วจะเป็นคารวาสก็เป็นพระโสดาบันเหมือนกันเป็นพระอรหันเหมือนกัน เป็นพระภิกษุเป็นพระอรหันต์ก็เท่ากันคารวะเป็นพระอรหันต์ก็เท่ากันพระริยบุคคล น, นี้ท่านไม่ได้อยู่ที่ร่างกายท่านอยู่ที่จิตใจจิตใจที่ได้ละสังโยชนสิบประการให้หมดสิ้นไปจากใจเมื่อไม่มีสังโยชน์แล้วจิตใจก็จะพ้นทุกข์ไม่มีทุกข์อะไรอีกต่อไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดึงจิตใจให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไป นี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้านำเามาสอนมาสั่งพวกเราให้พวกเรามาศึกษาให้พวกเรามาปฏิบัติกันเพื่อพวกเราจะได้รับรับของ รับประโยชน์อันสูงสุดจากพระพุทธศาสนาคือวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยการบรรลุเป็นพระอาริยาบุคคลขั้นต่างๆตามลําดับทุกๆคนที่ปฏิบัตินี้ต้องผ่านทั้งสี่ขั้นด้วยกันเพียงแต่ว่าจะผ่านช้าหรือผ่านเร็วบางคนผ่านแต่ละขั้นนี้ใช้เวลาหลายวันหลายเดือน บางคนนี่ผ่านปุ๊บภายในเวลาเดียวกันเลยภายในระยะเวลาห่างกันไม่กี่นาทีก็สามารถผ่านทั้งสี่ขั้นได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดความความฉลาดของปัญญาของแต่ละท่านซึ่งมีความฉลาดฉฉเฉลียวไม่เท่ากันบางคนฟังอะไรปุ๊บเข้าใจปั๊บเลย บางคนฟังแล้วยังต้องเอาไปเนึกอเอาไปนึกไปคิดอยู่สักพักหนึ่งถึงจะเข้าใจแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามการที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์บรรลุไปถึงพระนิพพานได้จาเป็นจะต้องผ่านขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนนาคามีด้วยกันทุกคนเพียงแต่ว่าช้าหรือเร็วบางคนต้องใช้เจ็ดชาติบางคนก็ใช้ชาติเดียวบางคนก็ใช้วันเดียว ฟังปุ๊บก็เข้าใจปั๊บก็ปล่อยวางได้ทันทีนี่คือเรื่องของพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่เรากราวไหว้กันว่าเป็นสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโคเนี่ยสาวกของพระพุทธเจ้าคือพระอริยบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ซึ่งเป็นผู้ที่พวกเราจะได้เป็นกันต่อไปเพราะเป้าหมายของการมาศึกษาของการมาปฏิบัตินี้ก็เพื่อที่ไดเพื่อที่พวกเราจะได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลด้วยกันทุกคนฉะนั้นพวกเราอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมได้เรานาเบาไปปฏิบัติได้เราก็เป็นได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นาราวาสไม่สาคัญสาคัญว่าขอให้ปฏิบัติได้หรือไม่ได้เท่านั้นเอง ถ้าปฏิบัติได้ก็บรุลุถึงพระนิพพานได้นี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลัง เอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวสมิจฉโตสัพเพปเรนตตสังกปาจันโทปนาราโสยธามณิโชติาราโสยธาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพพารโควินัสสตุ มาเตภวตวันตารายสุขิทีขายุโกภวะอพิวาทนัสิลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารูธรรมวทานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามข อ, อเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกแล้วจะไม่มีการถามตอบอีกไม่สะดวกนั่นต้องถามหน้าใหม่ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่กราบนมัสการเจ้าค่ะ วันนี้ Facebook 383ท่าน YouTube 181ท่านวิทยุออนไลน์15ท่าน z ู o m 4ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ124ท่านรวมทั้งสิ้น707ท่านเจ้าค่ะถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามจากหน้ากุฏิเจ้าค่ะเคยได้ยินว่าบุญจากการปฏิบัติ กรรมฐานนั้นสัตว์บางจำพวกอย่างเช่นเปรตไม่สามารถรับได้จริงหรือไม่คะและเพราะอะไรคะคือบุญที่เกิดจากการปฏิบัติการรักษาสีนี้เป็นบุญที่ผู้ปฏิบัติในส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงกันยา น, นก็เลยไม่สามารถที่จะอุทิศเป็นบุญให้แก่ผู้อื่นได้ เพราะตนเองนั้นยังไม่ได้บุญนั้นเพราะส่วนใหญ่นั่งแล้วยังเข้าฌานกันไม่ได้เข้าสมาธิกันไม่ได้ก็ยังไม่มีบุญเกิดขึ้นเป็นเพียงแต่เป็นการสร้างบุญอยู่ย้นเขาเลยมินิมที่จะอุทิศบุญแบบนี้กันวิธีที่อุอทิศบุญได้อย่างสะดวกรวดเร็วก็คือการทำทานพอทำทานเสร็จบุญก็เกิดขึ้นทันที เพระพระพุทธเจ้าจึงสอนให้อุทิศบุญด้วยการทาําทานเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทําได้แต่ถ้าจะไปเอาบุญที่ได้จากสมาธิหรือจากการบรรลุเป็นพระอริยบุคคล น, นี้มันยากฉนั้นก็เลยไม่นิยมที่จะใช้บุญแบบนั้นเป็นการอุทิศคําถามฝากถามเจ้าหน้ากุฏิเจ้าค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ลูกอยากจะทราบว่าการกรวดน้ำที่ถูกวิธีต้องพูดว่าอย่างไรเจ้าคะ ก็แร้ลึลอกอยู่ภายในใจนี่แหละบอกว่าเขาทิศบุญส่วนนี้ให้กับบุคคลนั้นบุคคลนี้ที่ร่วงลับไปแล้วก็สําเร็จแล้วไม่ต้องใช้ภาษาแขกใช้ภาษาไทยนี่แหละใช้ภาษาใจของเรานี่ยกอยู่ในใจเราคิดถึงคนตายคนไหนแล้วอยากให้เขาได้บุญที่เราทําในวันนี้เราก็แลาวเลืกไปภายในใจบากว่าวันนี้ได้ทําบุญและอยากจะเขาทิศบุญส่วนนี้ให้กับบุคคลนั้นบุคคลนี้ ถ้าท่านกำลังรอรับอยู่ก็ขอมารับไปได้เลยเพราะว่าถ้าเราไม่พูดไม่ระลึกไว้ก่อนคนที่จะมารับนี้เขาไม่สามารถรู้ว่าเป็นของของเขาหรือเปล่าเราก็เลยต้องบอกคิดถึงเขาถึงแม้จะจำชื่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพียงแต่เขาให้เรานึกถึงเขาว่าเขาเป็นใครก็แล้วกันคำถามจากคุณสรันปรกรณ์ กราบนมัส ก, การค่ะหลวงพ่อหนูอยากจะสอบถามว่าถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างตั้งใจแล้วแต่เรามีความพิการทางร่างกายไม่ครบ32สองเหมือนคนอื่นเขาเราจะสามารถสาเร็จเป็นพระอริยบุคคลได้หรือเปล่าคะได้เพราะความสำเร็จสาเร็จด้วยใจไม่ได้สำเร็จด้วยร่างกายเพียงแต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคมากหน่อยเช่น เวลาอยากจะฟังธรรมี้ร่างกายพิการจะไปฟังธรรมก็อาจจะยากแต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้เรามีสื่อต่างๆก็ช่วยลดความยากลำบากของคนพิการได้มากสามารถฟังธรรมที่บ้านได้มีสื่อมีมือถืออย่างเช่นวันนี้เราถ่ายทอดสดไปถึงบ้านไปทั่วโลกเลยใครอยู่ที่ไหนก็ฟังเทศฟังธรรมได้ เพราะการจะปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องนั้นจำเป็นจะต้องมีคนสอนมีธรรมะมีพระผู้รู้ธรรมเป็นผู้สอนฉะนั้นสมัยก่อนถ้าเป็นคนพิการจะต้องไปฟังธรรมที่บะที่วัดนี่มันก็จะไปได้ยากแต่สมัยนี้ก็ง่ายเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจริงๆนี่มันปฏิบัติที่ใจนะไม่ได้เป็น ไ, ได้่าบางทีเราต้องใช้ร่างกายเป็นตัวบังคับให้ได้ปฏิบัติ เพราะถ้าเราไม่บังคับมันก็จะไม่ปฏิบัติกันแต่ถ้าเราพิการหรือเราเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เราก็สามารถปฏิบัติได้เพราะการรักษาศีลก็รักษาที่ใจการเจริญสติการเจริญสมาธิก็เจริญที่ใจการเจริญปัญญาก็เจริญที่ใจงั้นถ้าสามารถเจริญศีลสมาธิปัญญาได้ก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ ถามจากเจ้าพยาพิชัยบดินขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลาผมนั่งสมาธิจนจิตเริ่มรวมจะเห็นเป็นแสงสว่างจ้าแต่พอคลั้นออกจากสมาธิแล้วเวลานอนแสงสว่างนั้นยังอยู่แม้เวลานอนหลับตาควรจะแก้ไขอย่างไรดีครับ อ, อ๋าไม่ต้องแก้ไขอย่างไรหรอกเพราะมันเป็นของที่เราแก้ไขไม่ได้ออก็ปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันเราไม่ต้องไปสนใจมันให้เรามีสติอยู่กับงานของเราเราอยากจะทำใจให้สงบเราก็มีสติอยู่กับความสงบอยู่กับลมหรืออยู่กับพุโทโธ อ, อ, อ, อ, อยากจะนอนหลับก็อยู่กับพุโทโธไปดูลมไปเดี๋ยวก็หลับค่ะคำถามจากคุณวอลส์ค่ะ กราบพระอาจารย์ครับการกําหนดรูปสุภาให้กลายเป็นรูปอสุภาช่วยดับกามราคะได้แต่ไม่หมดไปใช่ไหมครับการราคะจะตัดขาดได้เพราะรู้ที่เกิดและที่ดับของรูปทั้งสองใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกจะดับก็เพราะมันเห็นรูปว่าเป็นอสุภาเราไม่เสพกามต่อไปเมื่อเราไม่เสพกามต่อไปกามมันก็จะหมดกําลังไป ถามจากคุณวินค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับอยากกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายคําว่าสัมมาสติว่าเป็นอย่างไรครับสัมมาก็คือความถูกต้องสติที่ถูกต้องก็เรียกว่าสัมมา ส, สติสติมีที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องคือสตินี้เราใช้ควบคุมใจใช้ควบคุมความคิดน สัมมาสตินี้เราต้องการหยุดความคิดนะคือไม่ให้คิดนะเช่นเราใช้คําบาลีรมพุทโธพุทโธเราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ความคิดก็จะหยุดได้ยีน่นีเรียกว่าสัมมาสติสติอีกแบบหนึ่งก็คือมีสติตามรู้ความคิดรู้ว่ากําลังคิดอะไรเพราะเวลาทํางานนี้ต้องมีสติต้องใช้ความคิดเราก็มีสติอยู่กับความคิดนั้นคิด ถ้าไม่มีสติอยู่กับความคิดเดี<ม>๋ยวก็คิดคิดไม่เป็นเรื่องเป็นราวคิดสเปสะสปะมไม่ได้คิดอยู่กับเรื่องงานเรื่องการหรือเหมือนดูหนังสืออย่างนี้ก็ต้องมีมีสติอยู่ ก, การดูหนังสืออ่านหนังสือแล้วก็คิดตามหนังสือที่อ่านสติแบบนี้เราไม่เราไม่เรียกว่าสัมมาสติเพราะไม่เราไม่หยุดความคิดเนี่เราต้องสัมมาสติคือสติที่เราใช้หยุดความคิด เราไม่ต้องการให้มันคิดให้รู้เฉยๆเวลามันคิดเราก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธหยุดมันแข่งกับมันไปแต่ถ้าเราใช้เรามีสติอยู่กับความคิดเพราะเราต้องใช้ความคิดในการคิดการงานการอะไรต่างๆอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่สัมมาสติเพราะไม่ได้นำไปสู่ความสงบนั่นเองเพราะใจยังคิดอยู่คิดเรื่องงานเรื่องการ คิดบวกลบคูณหารคิดทาบัญชีถ้าไม่มีสติก็ทําไม่ได้ถ้ามัวแต่ไปคิดถึงเพื่อนคิดถึงแฟนคิดถึงขนมคิดถึงอะไรบวกลบคูณหารนี่ก็บวกเพลิดบวกถูกไปอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติแต่สติที่มีก็ไม่ใช่เป็นสัมมาสตินะคําคำถามจากคุณสิสจิราค่ะ กลับขอประทานทษเจ้าค่ะอ่านชื่อค่ะำถามจากคุณสรศักดิ์คจ้าค่ะสัตว์ที่กินพืชหรือมนุษย์ที่ไม่ได้ฆ่าสัตว์แต่ไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลดูเหมือนว่าศีลจะครบเมื่อตายไปแล้วจะได้เกิดเป็นมนุษย์หรือไม่ถ้าไม่เราต้องตั้งศีลอยู่ทุกวันหรือเปล่าครับ อ, อ๋อศีลนี้ <c oughs> นอกจากฆ่าสัตว์แล้วมันมี ไม่ฆ่าสดตแล้วยังมีข้ออื่นไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดปรเวณีไม่พูดปดเนั้นถึงแม้ว่าจะกินผักแต่ก็อาจจะไปลักขโมยผักของคนอื่นมากินก็ได้อย่างนี้ก็ยังถือว่าผิดศีลอยู่ก็ยังไปอบายได้อยู่เพราะฉะนั้นต้องรักษาศีลห้าให้ได้แล้วก็ให้การทำบาปนี้น้อยกว่าการทาบุญ เพาบุญกับบาปนี้จะเป็นผู้มาแย่งเอาใจไปแย่งเอาดวงวิญญาณไปตอนที่ร่างกายตายใครฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็ฝ่ายนั้นก็จะดึงไปถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงไปสวรรค์ก่อนถ้าบาปมีกาลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงไปอบายถ้าบาปกับบุญมีกำลังเท่ากันก็จะมาเป็นมนุษย์ใหม่ คำถามจากคุณนรงชัยค่ะกราบนามัสการพระอาจารย์ครับขอกราบเรียนถามว่าพระอริยะระดับพระโสดาบันเห็นร่างกายไม่ใช่ของตนไม่กลัวแก่เจ็บตายแต่ทำไมยังคงมีกามอารมณ์ยังคงเสพกามครับปุถุชนทั่วไปจะยิ่งหนักกว่าจะภาวนาอาสุภะก็สู้ไม่ได้ควรแก้ไขอย่างไรบ้างครับ พอพอเป็นพระสูดาบันแล้วก็จะมีกําลังที่จะพิจารณาสุภาษีมีปัญญามีกําลังมีสมาธิที่จะบังคับให้คิดไปในทางของสุภาได้ตอนนี้คําถามยังไม่มีจังหวะเวลาเท่าไหร่นะท่นนี้สามสิบสามสิบยีกาสามยิบเก้าโอเค มีใครอยากจะถามไหมที่นั่งอยู่ข้างหน้านี้าถามได้นะยังมีเวลาอยู่มีคำถามเข้ามาคำถามจากคุณสรันปกนรณ์เจ้าค่ะกราบนามัสการค่ะหลวงพ่อขอถามอีกคำถามเรามองไม่เห็นถ้าเราต้องพิจารณาอาสุภะกรรมาฐานเราต้องใช้จินตนาการเอาใช่ไหมคะกราบขอบพระคุณค่ะเบื้องต้นก็ไปดูหนังตัวอย่างก่อนเนี่ย ไปดูของตัวอย่างเช่นบางทีก็ไปดูการผ่าศพก็ได้ผ่าศพเขาก็จะผ่าให้ดูเห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังเห็นปอดเห็นไตเห็นตับอะไรต่างๆส่วนคลองก็ดูบางทีก็ก็มีแขวนไว้ในห้องเรียนของนักศึกษาแพทย์เราก็ดูได้หรือเราดูภาพถ่ายก็ได้หรือภาพวาดก็ได้ที่เขาสอนนักศึกษาแพทย์เี่ เราก็ดูแล้วก็เอามานึกคิดอยู่ในใจให้มันจําไว้ในใจอยู่เรื่อยๆจนเหมือนกับท่องสูตรคูณนะเวลาเราจะใช้สูตรคูณเราต้องท่องให้มันจําได้พอจําได้แล้วเวลาเราจะใช้เราก็เรียกขึ้นมาได้เลยสองคูณสองเท่าไหร่สี่คูณแดได้เท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันพอเราต้องการใช้อสุภาถ้าเราคอยจดคอยจําคอยนึกถึงมันอยู่เรื่อยๆพอเราต้องการใช้อสุภาษมันก็มาทันที มันก็จะดับการมารมได้ทันทีคำถามฝากถามเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะถ้ามีคนมาร า, ารานอยู่เรื่อยๆแล้วเรายอมทุกอย่างแล้วแต่ในใจลึกๆบางครั้งมันอยากจะไม่ยอมอยากจะทำร้ายเขาแบบนี้จะแก้นิสัยอย่างไรดีเจ้าคะก็ต้องหยุดมันเวลาไม่ยอมก็ต้องใช้พุทโธพุทโธหยุดมัน แล้วก็ให้คิดแบบ Finanz, ที่พระเจ้าสอนให้คิดว่าถ้าเขาไม่ชอบเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็ดีแล้วจะได้หมดเวรหมดกรรมกันทันทีคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะสามารถหยุดตอบโต้เขาได้เพราะการตอบโต้มันเป็นการก่อเวรก่อกรรมกันต่อไปไม่มีสิ้นสุด เดี๋ยวพบหน้าชาติหน้ากลับมาเจอกันใหมก่ก็ก็ลาวีกันใหม่ต่อไปถ้าต้องการให้มันหมดเวรหมดกรรมก็ต้องหยุดไม่ตอบโต้ยอมยอมหยุดเย็นท่านให้ใช้สูตรสามยอมยอมยอมแพ้ทุกอย่างทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้นเมื่อยอมแล้วเราก็จะหยุดต่อสู้หยุดต่อต้านเขาเมื่อหยุดแล้วใจเราก็จะเย็นมีความสุข ถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะไม่เข้าใจขั้นอนาคามีที่เกี่ยวกับรูปและอารูปฌานค่ะกราบท่านขยายความคําศัพท์สองคำนี้ด้วยเจ้าขาสาถูกผู้ที่จะบรรลุอนาคามีได้นี้ต้องมีรูปประฌานหรืออารมูปฌปานเป็นเครื่องมือในการที่จะใช้ในการพิจารณาสุภาษ เพื่อที่จะเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขจากการเสพกามมาเสพสมาธิมาเสพรู ป, ประฌานหรือว่ารู ป, ประฌานแทนพอละการเสพรูปได้ก็การะเสพร่างกายได้ก็มาติดการเสพรูประฌานหรปปรูปะฌานแทนเหมือนคนที่สมัยนี้บางทีอยากจะเลิกสูบบุหรี่ก็ไปเคียเค้ยวหมากฝรั่งเราเคี้ยวหมากฝรั่งก็ไปติดหมากฝรั่งอีกอย่างนี้เป็นต้น พาณาคามีก็เหมือนกันใช้ฌานเพื่อที่จะได้เปลี่ยนวิธีหาความสุขพวกนักบวชเขาต้องใช้สมาธิเป็นเครื่องมือหาความสุขเขาถึงจะเลิกการเสพกามได้แต่เขาก็ไปติดสมาธิกันถ้าอยากจะไม่ไม่ทุกข์กับสมาธิก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ไม่ต้องเสพมันทําใจเฉยๆไม่อยากไปอยากหยุดความอยากเสพ พอหยุดความอยากชนะความอยากได้ความอยากหายไปใจที่วุ่นวายที่ไม่สงบก็จะกลับมาสงบแบบธรรมชาติเนี่ยคถามจากคุณโจเซฟค่ะ mm hmm. เพื่อนเป็นชาวพุทธแต่เชื่อเรื่องภพชาติว่ามีจริงจะอธิบายเขาได้อย่างไรครับก็ไหนคะไหนอ่านใไปที่มั น, นฟังแล้วมันไม่น่าจะเป็นคําถามนะเพื่อนเป็นชาวพุทธ แต่เชื่อเรื่องภพชาติว่ามีจริงะจะจะอาตมก็ชาวพุทก็ต้องเชื่อเรื่องภพชาติที่มีจริงนะจะจะไปเชื่ อ, อยังไงนะ <laughs> พระเจ้าบอกเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นของจริงก็เชาวพุทก็ให้เชื่ออย่างนี้แล้วแล้วจะท้ายทำยังไงอะ <laughs> แต่เขาไม่เชื่อเลยน่านจะเห็นเหตุผลเขาส่งคําถามมาใหม่เจ้าค่ะเคาส่งมาใหม่เมื่อมาใหม่ เขาจะขอบเพื่อนเป็นชาวพุทธแต่ไม่เชื่อภพชาติว่ามีจริงบอกว่าเป็นแค่กุศโลบายของพระพุทธเจ้าเพื่อให้คนยอมอยู่ร่วมกันจะอธิบายได้อย่างไรครับ อ, อ๋อความจริงเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เรื่องภพชาติขอให้เชื่อเรื่องสุขทุกข์ว่าอยู่ที่ใจเหล่าก็พอว่าความสุขเกิดจากความการกระทาของเราที่เป็นบุญเป็นกุศล ความทุกข์เกิดจากการกระทำบาปเกิดจากการทำความอยากต่างๆถ้าถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องหยุดการกระทำบาปหยุดการหยุดความอยากต่างๆอยากจะมีความสุขก็ทำบุญแค่เชื่อแค่นี้ก็พอเพราะเป้าหมายอันนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องเชื่อภพชาติหรือไม่อันนี้เป็นความรู้ เป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากการปฏิบัติมันจะรู้มันจะเข้าใจขึ้นมาเองแต่เป้าหมายหลักคือการปฏิบัติเพื่อให้ดับความทุกข์ใจเท่านั้นเองคำถามจากคุณดาวค่ะกราบนามาสการค่ะลูกชอบไปวัดทำบุญแต่น้องชายบอกว่าอยากได้บุญให้นั่งภาวนาเยอะๆอย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะ ก็มีบุญหลายแบบเลยบุญที่เกิดจากการทําทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิบุญที่เกิดจากการฟังธรรมแต่ละบุญมันก็มีความยากง่ายต่างกันถ้ายังไม่มีความสามารถที่จะทําบุญแบบยากได้ก็ทําบุญแบบง่ายไปก่อนทานนี่ง่ายกว่าศีลศีลนี่ง่ายกว่าสมาธิสมาธินี่ง่ายกว่าปัญญา เพราะฉะนั้นแต่ละคนอาจจะมีความสามารถไม่เท่ากันคนบางคนอาจจะนั่งสมาธิได้คนบางคนอาจจะนั่งไม่ได้เขาก็ต้องใช้วิธีทำบุญแทนนั่งสมาธิคนที่นั่งสมาธิได้เ็าไม่ต้องไปทำบุญนั่งสมาธิได้เลยคำถามจากผู้ไม่ประสุข์ออกนามค่ะมีเด็กน้อยฝากถามเจ้าค่ะเทวดาอย่างเช่นพระแม่โพศพพระภาย พระแม่คงคาพระแม่ธรณีมีจริงไหมเจ้าค่ะไม่รู้จะมีจริงหรือเปล่าแต่เทวดานี่มีจริงแต่สมมุติที่เราไปตั้งให้กับชื่อนั้นชื่อนี้ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือไม่อย่างไรเทวดาคือพวกที่รักษาศีลและก็ทําบุญทําทานอย่างสม่ําเสมอเวลาตายไปเขาก็จะไปเป็นเทวดากันคําถามจากคุณสินจิราค่ะ เพื่อนโยมไม่ใช่คนพุทธและมีการบอกว่าจิตเดิมของมนุษย์เป็นจิตบาปในขณะที่พระพุทธเจ้าสอนว่าจิตเดิมเราเป็นจิตประภัสสนเราควรปล่อยเขาไปหรือแย้งว่าอย่าพูดเรื่องศาสนาในกลุ่มก็เหมือนคนตาบอดสองคนเถียงกันะตาบอดคาช้างนีก็อย่าไปพูดดีกว่ามันบอดด้วยกันทั้งคู่อ่ะ คำถามจากคุณซินดี้ค่ะกราบน้ำมศการพระอาจารย์ค่ะใจที่มีแต่ความกลัวเราจะทํำยังไงไม่ให้มีความกลัวได้บ้างคะเวลากลัวขั้นต้นก็ใช้การระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวดอิทิบีโสไปแล้วพอเราสวดไปเราก็จะลืมเรื่องสิ่งที่ทําให้เรากลัวความกลัวก็จะหายไปขั้นที่สองพอเราทําใจให้สงบได้มี มีสมาธิมีกําลังก็พิจารณาตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่เรากลัวนั้นเราห้ามได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็อย่าไปกลัวกลัวไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นความตายเราห้ามได้หรือเปล่าเมื่อห้ามไม่ได้ก็ปล่อยมันตายไปเมื่อเราปล่อยให้มันตายได้ไม่ไปไม่ไปกลัวตายมันก็ความกลัวก็หายไปเท่านั้นเองใช้ปัญญาพิจารณาความจริง คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะกราบนามสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเรียนถามว่าเมื่อเกิดการราคะแล้วกำหนดรู้แล้วมันดับไปแบบนี้ไม่ต้องใช้อสุภะแล้วถูกไหมคะขอพระอาจารย์เมตตาสั่งสอนด้วยเจ้าค่ะถ้ามันไม่กลับมาก็ไม่ต้องใช้ถ้ามันยังกลับมาอยู่ก็ต้องใช้ต่อไปใช้ปัญญากว่ามันจะไม่กลับมา เหมือนกินยาถ้ามันหายไข้แล้วเดี๋ยวพอหยุดยามันกลับมาใหม่ก็ต้องกินยาใหม่กินไปจนกว่ามันจะไม่กลับมาเพราะไม่กลับมาเราก็ไม่หยุดกินได้คําถามจากคุณแนตตี้เจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะการที่เรารังเกียดร่างกายของผู้อื่นหรือได้กลิ่นสกปรกของตนเองและผู้อื่นอย่างนี้แล้วเราควรจะคิดอย่างไรเจ้าค่ะ ก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายซึ่งทุกคนก็ยอมรับกับมันพอเรารับกับมันได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรพอเราไม่รับกับมันมันก็มีปัญหาทำให้เราเกิดมีความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมานั่นเองตอนนี้คำถามหมดแล้วเจ้าค่ะเวลาก็หมดพอดีใช่ไมสี 40, ่สิบ้าสี่สิบโอเคก็คิดว่าพอสมควรก่เวลา